ถ้ามบทแปลเรื่องที่87เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรเถระภาคที่4เรื่องที่7ของวรที่8สหัสวรรควรรณ า, นาพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรวันทรงปรารบพราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรเถระตรัสพระธรรมเทศนานีว้ว่ายังกินจิยิทธันจะเป็นต้น ความพิสดารว่าพระเถระเข้าไปหาพราหามแม้นั้นแล้วถามว่าพรหมามท่านทำกุศลบางอย่างหรือพรหมามอย่างนั้นขอรับพระเถระทำกุศลอะไรพรหมามบูชายันอย่างที่เขาบูชากันทราบว่าครั้งนั้นจนทั้งหลายย่อมบูชายัญ น, นั้นด้วยการบริจาคอย่างมากต่อแต่นี้ พระเถระถามโดยในก่อนนั่นแหละแล้วนำพรามนั้นไปยังสำนักของพระสัสดาทูลเรื่องนั้นแล้วกราบทูลว่าพระเจ้าค่ะขอพระองค์ตรัสบอกทางแห่งพรหมโลกแก่พรามนี้พระสัสดาตรัสถามว่าได้ยินว่าอย่างนั้นหรือพรามเมื่อพรามทูลรับว่าอย่างนั้นแล้วจึงตรัสว่าพราม ฐานที่ท่านบูชายันอย่างที่เขาบูชากันให้แก่โลกียะมหาชนตั้งปีย่อมไม่ถึงแม้เพียงส่วนสี่แห่งกุศลเจตนาที่เกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายผู้ว่ายสาวกของเราด้วยจิตที่เลื่อมใสเมื่อจะทรงสืบอนุสันติแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่ายังกินจิตยิท่านจะพูตันจะโลเก สั่งวัจรังยเทถะปุญญเปคโคสัปปามปิตังนะจัตุภาขมิติอภิวาดนาอุจชุคเตสุเซโยติผูมุ่งบุญพึงบูชายันและทําบำบวงอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกตลอดปีทานนั้นแม้ทั้งหมดยังไม่ถึงส่วนสี่การอภิวาส ในท่านผู้ดําเนินตรงประเสริจสุดแก้อับรรดาบทเหล่านั้นบทว่ายังกินจีนี้เป็นคารว่วบคือไม่มีส่วนเหลือบทว่ายึดทั่งได้แก่ทานที่เขาให้ด้วยอํานาจการทํามงคลเป็นต้นโดยมากบทว่าหูตังได้แก่ทานเพื่อแขกที่เขาจัดแจงทําและทานที่เขาเชื่อกรรม และผลของกรรม ร, รมสองบทว่าสร้างวัชรังยะเทธะความว่าพึ่ให้ทานมีประการดังกล่าวแล้วแกโลกิยมหาชนแม้ในจั ก, กรวาลทั้งสิ้นตลอดปีหนึ่งไม่มีระหว่างเลยบทว่าปุญญะเปกโคได้แก่ผู้ปรารถนาบุญบทว่าอุจุกเตโสความว่า ในพระโสดาบันโดยที่สุดอย่างต่ำในพระกีนาสกโดยที่สุดอย่างสูงคำนี้เป็นคำที่พระศาสดาตรัสไว้ว่าทานนั้นทั้งหมดไม่ถึงแม้ส่วนที่สจากผลแห่งกุศลเจตนาของผู้น้อมศรีระไหว้ด้วยจิตที่เลื่อมใสเห็นปานนั้นเพราะฉะนั้นการอภิวาทให้ท่านผู้ดำเนินตรงเท่านั้นพระเสริสุด ในเวลาจบเทศนาพรามบรรลุโซดาปฏิผลแล้วชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพรามผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรจบ